ถามว่าตรงกันข้ามกับศรัทธาศีลตรงกันข้ามกับศรัทธาก็คือไม่มีศรัทธาใช่ไหมตรงกันข้ามกับศีลก็คือทุศีลตรงกันข้ามกับฮิริโอตะปากก็คือไม่มีหิริโอตะปากตรงกันข้ามกับสุตาก็คือสุตะน้อยไม่ฟังตรงกันข้ามกับจารคก็ตนีอนุรักษ์นิยมแล้วก็ตรงกันข้ามกับปัญญาก็โง่เขลาถามว่าผูกเวรให้แกตัวเองหรือไม่ ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรเลยเนี่ยนะอย่าได้สร้างเวรอีกต่อไปเลยอย่าได้สร้างเวรให้กับตัวเองเลยเนี่ยนะเวรนี่เวลามันให้ผลมันเดือดร้อนข้าพเจ้าอย่าได้สร้างเวรให้กับตัวเองเลยเนี่ยนะก็ให้น้อมไปเพื่อละความชั่วทั้งหลายเพื่อจะได้ไม่เป็นเวรต่อไปเมื่อเราไปทำบาปทำอาคุลมีปัญหากับคนอื่นก็เนื่องจากเราไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เราก็เลยสร้างเวรผูกเวรไม่ใช่ข้าพเจ้าอย่าได้สร้างเวรเหล่านี้เลยเนี่ยนะ ข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียนตนอย่าได้เบียดเบียนผู้อื่นเลยเนี่ยเบียดเบียนตัวเองทางกายบ้างเบียดเบียนตัวเองทางวาจาบ้างทางใจบ้างข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียนเช่นนั้นเลยข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียนผู้อื่นเลยเจริญนะขอให้ข้าพเจ้าบริหารกายบริหารวาจาบริหารใจให้เป็นสุขเถอดเนี่ยนะใครตั้งวันนี้ขอให้กุศลเจริญยืดยาวเนี่ยนก็บริหารตัวเองอย่างราบรื่นเป็นต้น เจริญเพื่อนี้เป็นการเจริญเมตตาตั้งอัตตสัมมารปณิที่ให้แก่ตัวเองเพื่อจะได้เป็นพยามที่จะได้เจริญให้แก่คนอื่นถ้าเป็นคนที่มีแนวโน้มหวังดีต่อตัวเองแล้วนีมันจะมีความรู้สึกหวังดีต่อผู้อื่นได้ถ้าปรารถนาดีกับตัวเองจะรู้สึกว่าปรารถนาดีต่อผู้อื่นถ้าคนที่ไม่ตั้งความปรารถนาดีให้ตัวเองนีอย่าคิดนะว่าจะตั้งความปรารถนาดีให้แก่ผู้อื่น มีผู้กล่าวว่าคนที่ที่ที่มองตัวเองในแง่ลบนะเป็นคนคิดถึงตัวเองในแง่ลบอยู่จกคิดถึงบุคคลอื่นในแง่ลบด้วยนะเขามีผู้กล่าวนี้ฝรั่งเขากล่าวอย่างนั้นซึ่งก็ตรงตามที่ที่คําสอนเราก็ว่าอย่างนั้นฉนั้นคนที่คนที่เบียดเบียนตนนะไม่ใช่ฐานะหรอกที่จะไปรักผู้อื่นคนที่ไม่มีเมตตาต่อตัวเองอยากคิดนะว่าเขาจะมีเมตตาต่อ พลนอย่าคิดว่าไฟมันจะเมตตาต่อเฟินมีไหมไฟในเมตตาต่อเฟินไม่มีติดตรงไหนก็เผาไปหมดบอกว่าเผาด้วยความหวังดีมีไหมแต่คนนี้ชอบไปโกรธด้วยบอกว่าฉันหวังดีนะเนี่ยคลังันอันนี้ไม่ใช่พันก็ไปด่าคนอื่นเนี่ยนะบอกด่าด้วยความหวังดีไม่ใช่เพราะว่าเผาตัวเองแล้วใช่ไหมพันก็ เจริญเมตตาให้กับตัวเองเยอะๆย่างไงแล้วค่อยเจริญถ้าเจริญเมตตาอย่างนี้ปั๊กก็เจริญเมตตาไปให้คนอื่นขอให้เขาเจริญด้วยศรัทธาให้เขาเนี่ยเจริญด้วยศีลเจริญด้วยหีริเจริญด้วยโอตตะเจริญด้วยสุตะเจริญด้วยจารค้าเจริญด้วยปัญญามันเขาเจริญนิดหน่อยก็ดีใจไปกับเขาก็เป็นมุทิตาใช่ไหมแต่ก็ตั้งความหวังดีตั้งความปรารถนาดีให้ให้เขาเนี่ยเจริญในในคุณธรรมเหล่านั้นก็ ถ้าเรารู้สึกว่าเจริญในคุณธรรมเหล่านี้ดีเราก็มีเมตตาหวังให้สัตว์อื่นนี้เจริญด้วยคุณธรรมเหล่านี้พระองค์พลิมานท่านว่างไงนีขอให้ศัตรูของข้าพเจ้าทั้งหลายจงได้ฟังธรรมนะท่านตั้งความปรารถนาคือคือท่านนี้ศัตรูเยอะใช่ไหมไปฆ่าเขาไปตั้งเยอะแยะศัตรูน้อยได้ยังไงท่านก็เลยต้องเจริญเมตตาเจริญเมตตาให้ข้าพเจ้าให้ศัตรูของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติตามพระธรรม ก็จเจริญเมตตาไปถ้าจเจริญเมตตาให้ตัวเองได้ก็จ ะ, จะเจริญเมตตาให้แก่ผู้อื่นได้อันนี้เป็นอัพพยาปาทวิตกเป็นกุศลวิตกที่จริงแล้วจิตของเราเนี่ยนะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังเพราะไอ้พยาบาทวิตกนี้ไม่ใช่น้อยความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียทั้งหลายเนี่ยนะโดยมากเป็นพยาบาทวิตกโดยมากเลยนะ คือร่างกายก็ดีอ่ะแต่ว่าทำไมมันหอเหียวทาไมมันเดือดร้อนเร่าร้อนอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นพยาบา ท, ที่ตกไปที่เรื่องที่ไม่ควรคิดเนี่ยนะมันก็ต้องเจริญเมตตาให้กับตัวเองถ้าเจริญเมตตาให้ตัวเองอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าไม่เจริญเมตตาให้ตัวเองเท่าไหร่นะจะน่ากรุณาเท่านั้นเช่นว่าถ้าเราไม่มีศรัทธานะจะน่ากรุณาขนาดไหน พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ดีแล้วพระธรรมคาสอนเป็นคําสอนที่ตรัสไว้ดีแล้วหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายก็ปฏิบัติดีแล้วถ้าเราไม่เลื่อมใสอะไรจะเกิดขึ้นเราจะทําบาปให้กับตัวเองอีกขนาดไหนถามว่าถ้าเราไม่มีศีลอันไหนะถามว่าเราหน้าการุณาการุณาขนาดไหนใช่ไหมเช่นถ้าเราไม่มีศีลเลยเนี่ยนะจะต้องเดือดร้อนอีกเท่าไหร่ถ้าเราอะไรไม่มี เฮรินนะไม่มีโอตตะ ป, ปะไม่มีสุตะไม่มีจาระไม่มีปัญญาเนี่ยนะถามว่าจะน่ากรุณาปานใดเพราะว่าไม่มีศรัทธาหมายถึงว่าก็เราเป็นเดรัจฉีเนี่ยนะก็เป็นเดรัจฉีดีๆนี่เองถ้าเราไม่มีศีลก็คือคนพานเต็มขั้นถ้าเราไม่อายชั่วไม่กลัวบาป เขาบอกว่าก็ประพฤติทําตัวไม่ต่างอะไรจากหมู่สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกับหมู่สัตว์เดรัจฉานเหมือนแทะแกะไก่เป็นต้นถ้าเราไม่มีสุตะจะต่างอะไรจากคนเผ่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะก็เป็นคนที่เรียกว่าโง่เง่าเต่าตุนถ้าไม่มีจาระเลยเนี่ยนะถามว่าต่อไปเราจะเดือดร้อนแค่ไหนถ้าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยนะวัฏตะจะเป็นยังไงเั้นคติของผู้ไม่มีอริยทรัพย์เหล่านี้คืออะไรหนึนรกเ ด, ดรัจฉาน เปรตเนี่ยนะปติวิสัยถ้าเป็นมนุษย์ล่ะมนุษย์ก็ตระกูลต่ำเนี่ยนะตระกูลต่ำต่ำทั้งหลายที่เดือดร้อนทั้งหลายเนี่ยนะที่ที่มีปัญหารุมเร้าไปหมดเนี่ยนะอย่างอย่างดูนะคนที่ไม่มีจาคะเนี่ยหรือจาคะไว้ไม่ดีเนี่ยพวกที่ทำบุญนะเขามีว่า ทำบุญเนี่ยไม่ทําด้วยมือของตนไม่ทําด้วยมือของตนทําด้วยของเศษเหลื อ, อนะแล้วก็ไม่ทําด้วยความเคารพานะไม่ทําด้วยความเคารพแล้วกนะ็ไม่มีกรร ม, มสกตาเขาบอกว่ากรรมนี้ให้ผลนะบริวารไม่เชื่อฟัง พูดซ้ายไปขวาพูดหน้าไปหลังหมดเลยเนะี่ยเะนั้น ถ, ถ้าเราสังเกตดูนะใครที่ทํากุศลกลุ่มนี้นะทำด้วยไม่ทําด้วยมือตัวเองทําก็เอาเอาของที่เหลือที่เราไม่ต้องการน่ยนะจะทิ้งอยู่แล้วอไปทำไม่ทําด้วยความเคารพแล้วก็ไม่มีกรรมสกตามไม่ปรารบกรรมและผลของกรรมให้ผลเวลาทํากุศลเนี่ยนะโดยมากถ้าพูดกับเมียนหนึ่งคำที่เหลือเมียพูดหมดอย่างเงี้ย พูดกับลูกน้องที่ลูกน้องมีเหตุผลยกเมฆเต็มไปหมดเลยสรุปว่า ง, งานก็ไม่เดินคือว่ารวมๆแล้วเขาบอกว่ามีฆ่าทาตกรรมกรมีบริวารมีอะไรจะไม่เชื่อฟังไม่ตั้งหิไม่เงี่ยหูลงลงฟังอันนี้ก็อันนี้เป็นโทษของการไม่ทํากุศลด้วยความเคารพในเวลามาสูตรเนี่ยนะเวลามาสูตรนี่กล่าวว่าอย่างนั้นอันกุศลทั้งหลายถ้าเราไม่ตั้งใจเจริญไม่ประพฤติให้ดีๆเนี่ยนะเราก็ถึงเกิดเป็นมนุษย์ก็เดือดร้อนเหมนกัน นี่เป็นผลแม้แต่มนุษย์ก็เดือดร้อนถ้าผลของบาปมันให้ผลเดือดร้อนหมดเลยทีนี้ถ้าเมื่อความชั่วทั้งหลายเหล่านี้เรามีอยู่เนี่ยถ้ามีความไม่ดีอยู่อย่างนี้แล้ววิบากที่จะต้องไปรับเหล่านี้เหล่านี้เนี่ยถามว่าเราหน้ากรุณาแค่ไหนคิดว่าหน้าสงสารแค่ไหนโอ้หสงสารตัวเองเลยนะถ้ามองว่าอากุศลเนี่ยเต็มใจไปหมดเลย จิตทุกดวงชาวนะทุกชาวนะเป็นอากุศลหมดนะอากุศลนี้ซึ่งแบ่งเป็นอะไรอุปกิเลส16ใช่ไหมอุปกิเลส16กอากุศลลมูล3ทุจริตสโอคะโยคะคันทะนิวรณะอนุสัยสังโยตกิเลสแล้วก็ประพฤติทุจริตล่วงอากุศลกรรมบดเป็นต้นเนี่ยนะ บุคคลที่ทําบาปทําอาคุลเหล่านั้นเนี่ยจะน่าเห็นใจขนาดไหนถ้าสิ่งอ่ะบาปเหล่านั้นถ้าเราเป็นคนประพฤตินะแล้วเราจะต้องไปเสเวยผลเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยเราจะน่ากรุณาแค่ไหนถ้าถ้าเราไม่มีเมตตากับตัวเองดังกล่าวไปแล้วนะเราจะน่ากรุณาแค่ไหนอันนี้แหละเป็นเป็นการเจริญอวิหิงสาวิตกเพราะว่ากรุณาตัวเองเนี่ยนะกรุณาตัวเองว่าถามว่าใครเดือดร้อน สมมติถ้าอากุศลมันเกิดขึ้นเนี่ยนะเช่น โ, โทสะเกิดขึ้นเนี่ยชื่อว่าเบียดเบียนตนด้วยใช่ไหมเบียดเบียนผู้อื่นด้วยใช่ไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายใช่ไหมทําปัญญาให้ดับใช่ไหมเป็นไปเพื่อความคับแคนไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานอั้นก็สรุปว่าเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนโดยประการทั้งปวงแล้วเราจะทําบาปทําอกุศลไปถึงไหนจากเดือดร้อนไปถึงไหนจากลําบากไปถึงไหนแล้วก็เจริญกรุณาให้แก่ตัวเองอย่างนี้บ่อยๆนะ อีกทีหนึ่งถ้าถ้าสมมตินะถ้าจะเจริญการุณาให้ตัวเองนะถ้าเราไม่เป็นพระโสดาบันไม่เป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะเราหน้าการุณาตรงไหนบ้างเนี่ยนะอันนะ้นรกห้าร้อยกว่าขมเนี่ยนะห้ารยกว่านี่เราก็ปิดไม่ได้น่นะใช่ไหม เปรตสิบสองประเภทเราก็เปิดประตูไว้หมดนะเนี่ยเดรัจฉานเนี่ยนะก็แบ่งเป็นสัดน้ำํำนะเนีเราก็ยังยังละไม่ได้เนี่ยนะเคยฝันเห็นน้ํำไหมหน้าหนาวชอบฝันถึงน้ําจุติแถวนั้นําบากเลยเลฝันเห็นน้ําเช่นเป็นด้วยนะนะก็เกิดเป็นสัตว์น้ําหรือเกิดเป็นสัตว์บกเนี่ยนะ สัตว์บอกว่าสัตว์มีเท้าหรือว่าไม่มีเท้าหรือว่าสัตว์ปีกอย่างงี้สัตว์ใต้อะนะสัตว์เหล่านี้บนดินหรือใต้ดินก็ดูนะว่ามูเดรชานทุกเผ่าพันธุ์เราก็ยังไม่ได้ปิดสักเผ่าเลยนะไม่ปิดสักพันธ์เลยทีนี้บุญมันให้ผลมาเกิดเป็นมนุษย์ดูว่าคนทุกคนในโลกนี้นะ ทุกคนเนี่ยว่าที่แม่ของเราหมดเลยว่าที่มารดาและบิดาของเราหมดเลยทุกเผ่าพันธุ์ทุกตระกูลและก็ทุกลับที่ในโลกที่พระองค์ยังตรัสเลยนะบอกว่าอาวาสคือที่ที่พระองค์ไม่เคยเกิดเนี่ยนะเว้นสุทาวาสหาได้ยากนักบางนันก็แสดงว่าขนาดพระโพธิสัตว์สมัยที่ท่องเที่ยวไปในวัฏตะเนี่ยนะท่านเกิดมาไม่รู้กี่หนกี่แหง เกือบทุกที่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าไม่เป็นพระโสดาบันก็พร้อมที่จะไปเกิดในครันได้กับกับทุกคนเลยนะพร้อมที่จะมีแม่แบบไหนก็ได้มีพ่อแบบไหนก็ได้มีพ่อเป็นลัทธิอะไรก็ได้มีแม่นับถืออะไรก็ได้เราพร้อมที่จะไปมีลัทธิอะไรก็ได้ไปเป็นเจ้าลัทธิใดๆก็ได้ทั้งนั้นเลยอ่า น, นะนี่คือความน่ากรุณาของเราทั้งหลายแล้วบาปไหนบ้างละ่ะที่เรามีอยู่สูตรหนึ่งบอก ที่พระองค์บอกว่าถ้าบุคคลรู้อยู่อย่างมูสาวาฏเนี่ยนะไม่มีบาปใดที่เขาทําไม่ได้เขาบอกฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าพระทหารก็ได้ทําโลหิตพระพุทธเจ้าให้หอก็ได้เนี่ยนะเขาสามารถไปทําสังฆเพศต่อไปก็ได้บาปชนิดใดๆที่ที่เขาทําอยู่สามารถไปทําได้หมดเลยเนี่ยนะเพราะผลของอะไร นะก็เพราะผลของการที่ยังไม่ละบาปอกุศลถ้าเป็นพระโสดาบันนะเจตนาจำมุสาวาตก็ไม่มีทัานก็พยายามกรุณาตัวเองไว้เยอะๆถ้าเราไม่ปฏิบัติจนบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเดือดร้อนแนะ่จำเสริวะชาดกได้นาะถ้าท่านพลาดจากโสดาปฏิมักสัมมตานิยามในาศาสนานี้แล้วท่านจะเดือดร้อนเหมือนพ่อค้าชื่อว่าเสรีวะฉะนั้น มันก็ถ้าพลาดก็เดือดร้อนน่ะนะมันถ้าเราเจริญการุณาให้กับตัวเองมากๆว่าทุกในวัฏฏะทั้งหลายเราก็ยังดับไม่ได้เลยต้นเหตุคือกิเลสทั้งหลายในวัฏฏะเราก็ยังดับไม่ได้เลยเรานี่คือบุคคลที่น่าการุณาแล้วก็สัตว์อื่นก็เหมือนกันที่ไม่เป็นพระโสดาบานันเขาก็น่าการุณาเช่นเราเ สัตว์อื่นเขาก็น่าการุณาเช่นเราหมดเลยไม่มีบุคคลใดที่ไม่น่าการุณาเขาน่าเห็นใจเพราะเขาหนึ่งประตูอบายทุกประตูเขายังไม่ได้ปิดะนะความทุกข์ทั้งมวลในโลกนี้เขาก็ยังไม่ปิดเลยเราก็จะเริ่มจเจริญอาวิเหงสาสังกปะใช่ไมไม่คิดตําหนิผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่นเนี่ยนะมันก็จะผู้นี้ก็จะเจริญสรุปว่าอพยาปาทะสังกปะ อวิหิงสาสังกปะเห็นไหมกุศลสังกปะสามอย่างก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ครั้งก่อนก็พูดเนคขมะสังกปะแล้วใช่ไหมเนคขมะสังกปะก็คือคิดออกเห็นไหมคิดออกเป็นต้นแล้วก็ต้องกุศลสังสังกปะทั้งสาประการนี่ก็ต้องหมั่นสมาทานหมั่นอธิฐานให้จิตเป็นไปกับกุศลเหล่านี้อ่ากุศลเหล่านี้เนี่ย เธอว่าเป็นสเบียงอย่างดีของสัมมาธิทิถ้าเราไม่มีกุศลวิตก3สามประการเนี่ยนะอยากคิดว่าวิปัสนาสัมมาธิทิสัมมาธิทิรู้อริยสัจเนี่ยจะคิดถึงจะได้ยินอริยสัจก็ตามมีบางคนก็บอกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอริยสัจสีมีอะไรบ้างแต่เขาไม่เจริญกุศลสังกปะเหล่านี้เลยเขาไม่เจริญเนคขมะสังกัปปะเขาไม่เจริญ อพยาปาท่าสังกปะเขาไม่เจริญอวิหิงสาสังกปะประจำเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะเห็นอริยสัจเนี่ยนะถ้ากุศลสังกปะไม่บริบูรณ์สัมมาทิฐิไม่บริบูรณ์หรอก น, นะก็ต้องหมันไอไอไอไอเจริญกุศลสังกปะเพราะกุศลสังกปะกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันคือปัญญาขันเป็นกลุ่มปัญญาทีนี้ปัญญามันหมดกําลังมันไม่มีกําลังก็เพราะ เนี่ยนะพยาบาทสังกปะใช่ไหมเพราะโทสะบ้างเพราะราคะบ้างทําให้ปัญญานี่อ่อนกําลังแต่ทั้งนั้นทั้งนี้พระองค์ตรัสว่าราคะทั้งหลายเนี่ยมีวิตกเป็นตัวนําราคะนี่เกิดจากคิดเนีเกิดจากตรึกเข้าไปถ้าไม่ตรึกราคะไม่เกิดเรื่องบางเรื่องนะถ้าเราไม่คิดเราจะไม่โกรธเลยแต่ถ้าเอามาคิดเมื่อไหรก่ก็ก็โกรธใช่ไหมปัญหาในโลกนี้เต็มไปหมดแหละแต่คิดถึงเมื่อไหร่ก็โกรธ ถ, ถ้าไม่คิดก็ไม่โกรธ ของหน้าชอบใจทั้งหลายถ้าเราไม่คิดเราจะไม่ชอบแต่เพราะคิดถึงจึงชอบเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นตัววิตกนี่ยสำคัญที่สุดทํำยังไงที่จะให้กุศลวิตกซึ่งประดุดมือเนี่ยนะประดุดมือที่จะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุใกล้ที่จะทําให้เกิดปัญญาแล้วก็หมั่นอบรมศิกขาสองประการนี้ให้ดี ที่ขนาดคุยมาชั่วโมงกว่าอยู่แล้วจะหมดเวลาอยู่แล้วเนี่ยคำถามคำถามบางอย่างก็หน้าตอบน้ตอบบางอย่างก็ขี้เกียจตอบมากๆเลยงงั้นาปาถามที่องเรื่อคืออย่างนี้ค่ะราผก็พอสมควรนะฮะผู้สก็พอจะบ้างแต่ทีนี้มัดผู้สนทไงครับมัดผู้นเนี่ยถึงว่าสิทอะไรถึงว่าสิทำไง คือคือสัมมาสังกปะเนี่ยนะสัมมาทิฏฐินี่รู้อะไรสัมมาทิฏฐิรู้อะไรสัมมาทิฏฐิคะรู้เหตุเกิดความดับของอะไรของสังขารขันุปทานสัมมาทิฏฐิเป็นไฉไรความรู้ในทุ ก, ก, ทกความรู้ในทุกขัสมมทยัยความรู้ในทุกขานิโรธ ความรู้ในทุกขานี้โรทขามิหนีปฏิปทาแต่นี้อันนี้ความรู้ตัวนี้คือสัมมาทิฐิฉั้ น, นสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นอย่างนี้บริบูรณ์เป็นมัคขะสัมมาทิฏฐิแต่ทีนี้มัคขะสัมมาทิฏฐิก็ต้องมีอะไรสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นเหตุไกลก็มีมิปัสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมีฌานสัมมาทิฐิมีอะไรกัมมัศกตาสัมมาทิฏฐิ ทีนี้ถ้ากุศลสังกปะสามอย่างคือเนคขมมะสังกปะไม่ดีอัพยาปาธาสังกปะไม่ดีอวิหิงสาสังกปะไม่ดีเนี่ยนะสัมมาทิฐิเหล่านี้มันเกิดไม่ได้เนี่ยนะถ้าง่ายเราไป็นพระโสดาบันมานานแลยถ้าง่ายเราเป็นพระโสดาบันมานานแล้วที่ว่ามันพอจะเรียนได้แต่ว่ามัน ดันโดยมากปัญหาว่าการเจริญกุศลสังกปะไม่ค่อยดีเนี่ยสิ่งที่ตามมามันก็คือมิจฉาวาจาถ้ากุศลสังกปะไม่มีนะถ้าการมสังกปะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็แสดงว่าเป็นผลพวงของการมสัญญาเมื่อการมสัญญาการมสังกปะเกิดมากกลุ่มรุมมากมดว่า การมสัญญาเป็นที่มาของอะไรการมสังกัปปะหรือการมวิตกเนี่ยทีนี้ขณะใดก็ตามที่การมัสังกัปปะตัวนี้เกิดขึ้นขณะนั้นก็มีการมสัญญาเกิดร่วมด้วยการมสัญญาตัวนี้เป็นปัจจัยแก่การมสังกัปปะต่อไปก็มีการมสัญญาเกิดอีก มันก็เลยสั่งสมไอกามสัญญาเนี่ยอาไว้มากมากขึ้นกามวิตกก็จะมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเพราะถ้าหากว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดกามวิตกนะกามวิตกมันมีแต่จะโตโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเพราะว่าอาหารคือการมสัญญาทุกครั้งที่เกิดการมวิตกขนาดนั้นสั่งสมกามสัญญาเพราะมันมีความจำเป็นมากที่ต้องเจริญ เนคขมมะสัญญามันถ้าเจริญเนคขมมะสัญญาเนะีเจริญเอ่อเจริญเนคขมมะสังกัปปะหรือเนคขมมะวิตกเนะี่ยขณะที่เจริญเนคขมมะวิตกก็ขณะนั้นก็เป็นการเพิ่มเนคขมมะสัญญาแล้วเนคขมมะสัญญาตัวนี้จะเป็นปัจจัยที่สําคัญแก่เนคขมมะวิตกเมื่อเนคขมมะวิตกนี้เกิดขึ้นสัญญาก็เกิดอีกกุศลสัญญาก็เป็นปัจจัยแก่กุศลวิตกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ การพ่อพูนเนคข ม, มะวิตกมากเท่าไหร่ก็เท่ากับส่องเสริมเนคข ม, มะสัญญาเนี่ยนะเพิ่มเนคข ม, มะสัญญาเนคข ม, มะสัญญาเป็นเหตุใกล้อย่างดีของเนคข ม, มะสังสังกับปะมันก็แล้วแต่ว่าถ้ามันไม่อาย่างใดก็อย่างหนึ่งละเนี่ยนะมันถ้าบุคคลทั้งหลายเนี่ยถ้าราคะเกิดหรือถ้าราคะเกิดปั๊บเนี่ยเนคข ม, มะสัญญาเสียหาย มันก็ต้องฝึกฝนอบรมตัวเนคขมมะสังกปะเอาไว้ให้ดีนี้ส่วนพยาบาทสังกปะเหมือนกันเนี่ยนะพยาปาทะสัญญาเห็นอะไรก็ไม่ชอบไปหมดถ้าสมมุติเห็นแล้วไม่ชอบปั๊บเนี่ยนะหรือได้ยินก็ตามไม่ชอบปับ๊บจะตามมาด้วยวิตกพยาบาทวิตตกก็จะตามมาไอ้มันไม่ดีนี่ไม่ชอบขณะที่นึกไม่ชอบหนึ่งครั้งก็สั่งสมไอ้สัญญาไว้หนึ่งที สัญญาตัวนี้ก็เป็นอาหารอย่างดีของวิตกวิตกก็เกิดสัญญามันก็โตขึ้นโตขึ้นนก็วิตกมันก็กลายเป็นคนสังสมอากุศลวิตกเนี่ยมอบเยนะแต่ถ้าเราสังสมเมตตาให้แก่ตัวเองเนีย่ยนะเป็น อ, อัพยาปาทะอัพยาปาทะวิตกก็จะเกิดอัพยาปาทะสัญญา อพยาปาท่าสัญญาตัวนี้ก็เป็นปัจจัยแก่อพยาปาทะวิตกวิตกเกิดขึ้นก็มีสัญญาร่วมด้วยสัญญาตัวนี้ก็เป็นเหตุใกล้ต่อวิตกอีกต่อไปนั่นนะถันาสังสมเมตตาไว้เท่าไหร่นะสังสมออพยาปาทะวิตกเท่าไหร่ก็เป็นการสังสมอพยาปาทะสัญญาในที่สุดก็เมตตาก็จะได้ชานจนได้นะมันก็อยู่ที่เลือกจะเจริญอะไร เพราะว่าบุคคลทั้งหลายทางเดินของความคิดมันก็มีสองอย่างใช่คือที่เป็นกุศลกับอกุศลถ้าอกุศลมากกุศลก็ไม่มีโอกาสถ้ากุศลเกิดมากอกุศลก็ไม่มีโอกาสแต่ทีนี้ถ้าผู้ที่ไม่ฝึกอบรมก็สลับคละเคราวกันไปแล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเจอสิ่งแวดล้อมดีก็มีเมตายินมแย้มไปเจอสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็โทสะอีกอกุศลอีกอย่างเงี้ยมันก็ ไม่เป็นการเจริญมรรคแต่ผู้ที่เจริญมรรคเนี่ยนะเขาจะแยกระหว่างกุศลสังกัปปะกับอกุศลสังกัปปะว่าถ้ากุศลสังกัปปะเกิดขึ้นดียังไงนะถ้าอากุศลสังกัปปะเกิดขึ้นเสียหายแค่ไหนเสียหายยังไงเนี่ยต้องตรวจสอบเช็คตัวเองได้ถ้าตรวจสอบไม่ได้นะเจริญไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเจริญกุศลสังกัปปะทั้งวันทั้งคืนด้วยใช่ไหม ถ้าไม่มีเมตตาให้ตัวเองเลยนะเจ้าว่าทำไมต้องเจริญมากขนาดนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเหตุผลจนต้องเจริญอากุศลอีกอนนเพราะถ้าเราไม่เห็นโทษของอากุศลก็เท่ากับไม่เห็นโทษของมิจฉามักก็เท่ากับไม่เห็นโทษอบายทั้งหลายก็ไม่เห็นโทษเพราะว่าต้นเหตุของอบายทั้งหลายต้นเหตุของวาตตะทั้งหลายก็อยู่ที่พวกอากุศลวิตกอากุศลสัญญาเนี่ยนะ ม, มีใคร ม, มีอะไรจะกล่าวไหม